บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 5. พระสกทาคามีหกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเจ็ 7. พระโสดาบัน 8. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลเก้าปุตุชนภิกษุทั้งหลายบุคคล9ก้าจพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก ปุคลาสูตรที่เก้าจบ